พระธรรมเทศนาแผ่นที่54าลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่6กันยายน2555ัายมีชื่อเรื่องว่าพยากิตราชภาทา่า เมื่อวานหลวงพ่อตอนไก่คำแม่ของอ น, น้องที่เป็นเด็กน้อยทําคั่วกับหลวงพอ่อมาเกือบสิบขุบ ป, ปีแล้วมั้งมอยู่วัดหรือว่านแม่ตายหลวงพ่อก็ได้ไปนั่นนะ่ะไปเบิงก่อนบรรจุก่อนเอาเขาหีบศพ เปิ่งกันพ่อพนคนนอนรับแล้วออว่าอายุก็เพียงหาสิบโ ก, บกปีบ่มากแต่ว่าเป็นโรคมานาน่นเป็นโรคอยโรคอยเบาหวานก้นสีล้มสีตายเป็นสั่นแหละยังไม่โรคยังตโรคยังมาล้มมาตุ่มพ่อปานทหารพ่อปันเมืองสีแตกนะ่ การเมืองสีแตกขึ้นกันอ่ะก็จะไปตีเขานาเดียวมันก็ทหารสู่นะตีทั้งหน้าตีทั้งหลังเอาไปมากก็เลยกุงแตกคเมืองแตกอันนี้คือกันเป็นโรคหนึ่งในมะเร็งอย่างโรคหัวใจบอดโรคเบาหวานป่ดโรคโลกไตบอโรคความดันดันสูงดันต่ำมันล้มมาตุ่มเขามากทหารพญา ทหารพญาโอสถดเนี่ยสูบวายเลยพายเรียบร้อยพายทับเลยแหละทหารพญาบรรจุราเนี่ยตีตัดร่มเข้าไปเลยเนี่ยโนสุก็บยึดคล้องเมืองกายยนครอนได้พญาจิตตลาดกับเพชรแหนเป็นตัวบัตเนี่ยหางจุกตูดละ่ะนี่แหละร่างกายของเข้าเป็นสันอ่ะกันอยู่ดีมีสุกกะใครๆมาปกคล้อง ถ้าท่ายผู้อื่นอีกต่างหากมารอดเนี่ยเป็นยังสั่นต้องใส่ยาแบบนี้ต้องมาเนี่แบบใส่ยาแบบนี้ไปพญยาจยิตตลาดกับพวกพญาโอสด เ, เปิ้นกี่คุยใส่เขาเน่อยไปพญ า, ยาทหารพญาบัจรจุลาศเฮ็ดหนวดขยุยบขยับขยุบขยับเอ้ยเนี่ยไปหากี่คุยหลายทหารพญาบัจรจุลาศนะ ห้อยสักหน่อยเนืองกันนั่นแหละอันนับแหละกตีแข้งตี้ากอ น, น, นไปสองทหารทีบุมีฝีมือเราไปทหารลูกหับเมาตีบอลไปพ่อตีเพ่อสู้ได้บอลไปทหารพรญากิตลาด้ทรงานพ้นพญาโอสดบอไปบกป่องแกปวดแข้งปวดขาปวดหัวปวดทองได้โอ้โหเก่งเลย เอาชนะบั้นพ่อต่อมใ้ใหญ่ๆคือไม้อีกปะนี่ทหารพญาปัจจุรัสทรงทหารเขามาได้ระดับที่มีฝีมือพ่อสมกวนพ่อมาตีเขามาเนี่ยพญาจิตตลาดทรงพญาโอซดเขาไปสู้อีกพ่อวัดพ่อเวียงมาละไปพ่อต่อมาต่อมาบั้นี่ย พญามันโจราามันบล่าบอถอยได้บ่เนี่ยมันก็นลกขึ้นเรื่อ ย, ยทรงระดับแนหนาละบ่เนี่ยเป็นน้ำตีเป็นจุดละบ่เนี่ยตีน้ำเขาบากหัวใจวน่หัวใจขาดเลือดลินหัวใจลัว่ว เ, เกียว์ของหัวใจเดินผระปกติตีเขามาทางา้งไตอีก ไตกับพิการอกีกไตบวทํางานอกีกไตว่ายอกีกเริ่มจะไตว่ายอกีกตีเข้ามาทั้งสมองอกีกเลือดไปเลี่ยงสมองปอพออีกตีไปทั้งความรันอกีกตีไปทั้งบอหวานอกีกทหารพรญามัจจุราชมีอีกหลายกลุ่มได้ตีเข้ามาพญาโอดีดสูด ท, ท, ทั้งสู่ทั้งถอยทั้งสู่ทั้งถอยเลยไป ส่วนไปง่ายที่ตลาดเนี่ยไปหลกเหลกหลกเล็กโดยไปเบิงหลูกน่องเจาะของสิสู่เขาใดบ่ไอผัวในสวนเขาก็ตีเขาหลายที่หลายทางเขาไปกับหลอกหมักหัวใจซะเอปิดสมองไว้ซะไปง่าจิี่ตลาดกับเพนแหนบเชิญตัวบนะัตรไปง่ามิจุลาก็เพ็นไปง่ามัดจุล่าก็ขึ้นไปคล้องเมืองเลยนะยัดกายยนครเป็นของเขา พอเนื้อชดกันพญาจิตราศไปทางไหน่อเนี่อหางจุกตูดไปหา ก, กอล่างสางเมื่อไมอีกบ่ไหนคันาวาพญาจิตลาศนะมีเงินได้เตรียงพร้อมลงไปคันาวาในข้องเมืองกายยนครนี่ยข้องเมืองกายนกกายนครนเี่ยเตรียมพร้อมหมดลไปบอประมาทเอตามว่าคา ศึกศัตรูมากนี่เข้าสิเอาอย่างติดตัวไปน้าแน่สิงค์ไผ่พ่นไปทางไหนไปทางทิศไหนแล้วไผ่พ่นของเขานี่เข้าสิเตรียมซับสมบัติไอ้อย่างติดเข้าไปอีกพญาจิตลาทะคิดได้ไว้ในใจอยู่จังสันวนลงไปคือตั้งอยู่ในความบอรประมาทเนีเตียมพร้อมดาบว่าเข้าแพร ศึกสงฆามขึ้นมาเนี่ยเฮ้ากับบอมันใจใกันมาศึกสงฆามมันจะมาหัวไหนมาช่วงไหนไอมากลางคืนแล้วมากลางวันเออมาสี่เฮ้าเออกำลังมีความสุขสนุกสบายอยู่บอื้อฉิมานไม่ลาดไหนบอมีภัยจิตกาหนดกฎเกณฑ์เลี่ยว่าพญาจาิเข้ามศในช่วงใดพญาจิตลจตลาดทว่าพญาจิตตลาดปอประมาทนะก็เตรียมพร้อม ันว่าพญาจิตตลาดประมาทกันนั่นแหละกินเหลา้าเมาจุลา่ากันซายาวฟินให้เราอินเลนการพนันเนี่ยอนแต่แฉฝอนแต่เย่งฝอนตัน้งยั่งพญาจิตตลาดประมาทนะธานีพอพญายบัจุราชทหารพญาธิอพญาธิขามาเนะี่ยตีกระหน่ำขามาเอีเป็นสมุนของพญายบัจจุราช พาจิตตาก็ทรงทหารพญาโอซดก็ไปสู่เพศสัตว์โอซดสู่บวากันนั่นะท่นี่สู่เบิงปล้องปลองกาลังเบิงกันปลองกาลังบวาเลยก็นั่นแหละต้องหาทางและทะาา่า้นี่ันว่าพญาจิตตลาดตั้งอยู่ในความประมาทก็ยังวานี่คว้าพูนคว้าพี่จกักจะไปยังไดฮะเนี่ย ไอ้พลในส้อชุดกัมีแต่ได้ผ่าข้ามากผ่าจอนกนระเทียวเท่านั้นแล้วแลนเท่านานบาทนี่ยบอมมียังไปทางหนาจักเหตุเหตุอย่างไรให้อันนี้คือพญากิตรราชที่พลได้เตรียมพร้อมกันพลได้พญาจิตรราชเตรียมพร้อมเลยทั้งตีทั้งถอยทั้งตีทั้งถอยไอ้พลในื้อชุดก่อนทรัพ ส, สมบัติก็ติดตัวของพญามัจยุราชไปตั้งเวียงว่างไม้อีก ไปตั้งทา่าตั้งหอหลบไม้เลวก็ตั้งบ้านตั้งเมืองไม้อีกก็ร่างสร้างเมืองไม้อีกอออ ก, ก็อุดมสมบูรณ์เพราเหตุไหลพราะได้เตรียมพร้อมจากนั้นพระญามัจโยราชก็เตรียมไปเอกตีเอกพอก่างสร้างเมืองขึ้นมาไม่ลพะพอตีขึ้นมาอกีกเนี่ยประญาจิตตลาดก็เตรียมพร้อมอีกคือนเรานะไปตั้งเมื่องรือเตรียงพร้พอมพร้อมที่จะถอยนี่แหละ คือสรุปแปลก็คือเห่าเกิดมาในวัตะสงสารเนี่ยเบียดไวดตายเกิดเนี่คือกันขปยาจิตตลาดนั่นนะมัดครองร่างกายของเห่านี่กายของเห่านะี่มีอยู่สองยางกนะายขับใจเอาอน้มธรรมก็รูปประถ้ำรูปรประถ้ำคือร่างกายคือกายยานคอนน้มารรมก็คือจิตลจตลาดปยาจิตตลาดคล้องกายยนคร ถ้าจะเปรียบเทียบไปเห็นชัดๆก็คือร่างกายของห้าวคือรถใจของห้าก็คือค้อนขับรถ อ, อ่ามันอาศัยกันยุคแต่ว่าพญาหมัตจุราชคืออย่างพญาหมัตรยุราชก็คือนี่แหละคือความตายนั่นแหะพระญาติชราพระญาธิชร า, า, าก็คือพระญาติคือทหารของพญาหมัจจุรห ที่จะมากตีกายยนครแต่พญาจิตรราดนี่คือพญาโอสถพญาเพศสัตว์วนกไปสู่วนออกไปแต่ทั้งสู่ทั้งถอยปนในสู่เกิดพายแพย่แกพญามัรจุราชทุกร่ายพญาบรรจุราชตีแต่กระจุยมัดทุกร่ายแต่ว่าขนาว่าพญาจิตรราชมีความพร้อมบวกตั้งอยู่ในความบอประมาท ถึงจะพ่ายไปก็ตามก็ได้ขนทรัพย์สมบัติที่ได้เตรียมพ้อมไปสร้างเมื่อไม่กันอีกหรูหลากว่าเกา่าแต่ว่าถึงยังไนพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเขาสูนิพ่านไปซะดีที่สุดขานาวาจังเวียนวายตายเกิดอยู่ถึงสพระยาบัจจุราชก็จิตไล ย, ยองยองสิอยู่ในโลกนี่ยผมมีที่สิ้นสุด มันกระทุกเขาตีล้อมเมืองเราพ้นเขายึดเมืองได้แล้วจะมีความสุขไหมมัญหาความสุขบุมม๊ดได้หรอกพญาข้องเมืองพญาจิตราชปัญหาความสุขบุดได้เขาข้องเมืองแล้ะพญามัจจุราชเขามากข้องเมืองจะหาความสุขได้จังหดก็มีแต่หาทางออกอย่างเดียวคันว่าหาทางออกไปแล้วก็มีสับสมบัติติด ตัวไปน้ำกับพลนไพ่พุนที่เคลื่อนย้ายออกจากกายนาครอนไปตั้งกุ่งไปตั้งเมื่องไมอันนั้นก็พ่อทําเน่าอยู่เพราะนั้นพระพุทธเจ้าเห็นว่าพวกเข้าเกิดมาในโลกเนี่ยเกิดมามีร่างกายย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนอเดี๋ยวอีกสักมือหนึ่งน่ะพญ า, ามัจจุราชจะมาตีอย่างแม่ของน้องเนี่ย นี่แหะอันนี้พญ า, ามัโจโยลาชตีแหละตี้ตีข้องเมืองล่ะพญากิตตลาดจิตใจของแม่นุ่งนี่คือจิมเนไปใส่ละบาทขันว่าตั้งอยู่ในความประมาทคือกอซอพุ่นกอซอพี่ละบาทเนี่ยจักทีไปลบอยู่ใส่ละขันวัาแม่นุ่งได้ทำบุญทําท่านไว้ไหว้พระสวดมนต์บ่มีผลได้ที่หูยิ่งกว่าตัวเจ้าของตัวเจ้าของนั่นน่ะหูที่สดุดเจ้าหกเจ้าของเฮ็ดดีเจ้าของเฮ็ดซัว เจ้าของมีทรัพสมบัติมากน่อยเจ้าของขี่ขานเจ้าของบอดไอนใจบใจ่มีปไลหูยิ่งกว่าตั๋วของแม่ของน่งเองแต่ว่าแม่ของอน่องเป็นผู้ขยันแรงไฟในการกุศลแรงเงินนี้จากกายนาคร น, นี่ก็ไปตั้งกายนาครใหม่ไปสู่สวรรค์หรือเลือกเกิดได้เลยเขาจะไปเกิดใส่มองไรลุยไปเกิดมงหัน บองได้เป็นสัมมาทิธิตระกูลนาเป็นสัมมาทิธิรูจักษ์ดีหูจักษ์ชัวหูจักษ์บาปบุญคุณโทษนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปเกิดตดจากนั่นก็แะได้ประพฤติธปฏิบัติได้บมเพ็ญอันนี้คือค้นมีบุญใขยย่ไข่พระญาติจิตลาดพอตั้งอยู่ในความประมาทเตียมพร้อมนำบุญกุศลไปเกิดในภพภูมิต่าง แต่ว่าพญาจิตตลาดโงเงาเตาตุลมิตรเล่นมิตรกิดมิตรสนุกสนานเผดเพื่อนเฮ้ฮ่าบอกขึ้นมาจากของจีไตบอกขึ้นว่าพญ่ า, าะะมัจจุราชจะมาตีกายยนครมีแต่ลุ่มหลงมั่วเมาเมื่อพญ่ามัจจุราชเขามาตีกัน น, นั่นแหะหนีนอกทิพนอกท่างมีแต่ได้ผากรรมมาเขียนแหววท่านนั่นแหะเชมาแก่ผาก็สิโพดไปวันนึงไปในผากรมมาเขียนพุ่งกระแลนตะพุๆๆ่งตะพุ่งกันเอาหนึไป เออหัวสุกหัวสุนไนะอันนี้นะขอให้พวกเข้าทุกๆคนนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้ชีวิตของเข้าบทเทียงแทแน่นอนจักสเมียนมือใดละ อ, อ่าพญามัจยุรห์ที่เขามาตีกายยนานค่อนของพวกเข้าเดี่ยนี่ก็ตีไปหลายมองเลยเดย้บางคนกับผมหอก บ, บางคนกับแขวรุนะบางคนกัตาฝ้า ฟ, า, ฟางบางคนกัหูตึง บางก้นก็นั้งเฮี้ยวเออเรียกว่าเจ้าของพญามัจยุฬาชปวตีได้จ่นไหนมันทรงตีมันตีทั้งชลาทหารชลาเอาพวกกลุ่มชลาเขามตีต่อไปก็กลุ่มพญาธีขอมตีกต่อไปกับพญามมัจยุราชมรณะเลยหัดข้ อ, อไรบ้ะนะอาอพวกข้าวยาตั้งอยู่ในความประมาทเนะพิชรณาดูให้ดีสิมันจริงไหม ที่หลวงพ่อไดวาให้ฟังเพื่อเป็นอุปมาอุปไม้ให้พวกเขาได้ศึกษาเรียนรู้ชีวิตของเขามันจบเพียงเท่านั้นบอมมี่พลายจิตจะเลื่อนลุงเรื่องไปสินนอยจินนุ่มไปทางหนาบอมมี่มีแต่เต่าแก่เซราไปทางหนาผมได้สู้ก็ถึงจุดจบแต่เมื่อถึงจุดจบชุดท้ายนะยายพญาจิตตลาดเน่ สอบผ่านหรือสอบบวชผ่านหน้าที่สุดท้ายแล้นะขันวะพญาจิตตลาดมิตรเทียวมิตรเล่นจันุกสนานรพญาจิตตลาดสอบตกแล้วสอบตกกว่าไปเกิดเป็นชัติธิรฉานไป็นตกนรกต่างหากพอไปตกนรกมาเกิดเป็นชัติธิรฉานเป็นเปรตเป็นคนหูหนวกตาบอดบ่าใบเสียจิตอีกต่างหากนอันนี้คือพญาจิตตลาดตั้งอยู่ในความประมาทต้องเป็นอย่างนั้น ขันพระยาจิตตะลัดตั้งอยู่ในความบอรประมาทเตียมพอมเตรียมเมื่อเจ้าของไหวพอมให้ท่านรักษาศีลภาวนาให้หูจักไวยาวุฒคุณนวุฒพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาจเจริญเมตตาภาวนาทำจิตใจให้สงบให้หูจักบาป บ, บุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์สิ่งใดที่ดีดีถ้า ห, หูจักยุตต์ดีคื อ, อยังความดีนะั่คื อ, อยัง การเท่าใดเลี่ยนเราก็ต้องหูดก่าดีขึ้นย่งแต่เท่าพอใดเลี่ยนเขาบอใดศึกษาเขาพูดใจเลยดีกับซัวโบจักดีโบจักซัวอันนั้นไปลว่าผู้ใดได้รับการศึกษาแต่เทาได้รับการศึกษาดีเท่าต้องหูจักเอาถ้ำคําสอนของพระพุท ธ, ธเจ้ามาเป็นแบบมาเป็นฉบับมาเป็นตัวอย่างมาเป็นเครื่องวัดคนดีคือจ่างไรคือคนมีศินหา ในหลักของพุทธศาสนาพุทธมีศีลหาผู้นั้นจะเป็นคนดีในรในระดับตน้ตนๆพระพุทธเจ้าก็รับร่องอีกต่างหากว่าผู้ทดมีศีลหาผู้นั้นบดตกนรกบอกไปเป็นเปลเตบบอกกัดเกิดเป็นสัตว์ทิฏฐิชานบ่กเป็นขุนหูหนวกตาบอดอันนี้สงศีลหาจะคุ้มคล้องเว้นเสียแต่วา่าแต่ชาติก่อนเขาทำมาแล้วทำกรรมมาแล้วกรร ม, มันั่นจะตามสนองมันมาท่านเมดกรรมตึงจะรักษาศีลหาในชาตินี้ก็เถิะ กรรมทุกข์ก้อนมันยังให้ผลอยู่มันก็ต้องเสียหายแต่ตาเขาบอาอนนี้สงฆ์ในรักษาเดี๋ยวนี้แหละอันนี้สงฆ์ขุมข้องเดียวนี่ต่อไปพ่ายภาคนานะจะเป็นคนสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติโดยทรัพหลูมสมบัติหลูมสมบัติบริวารสมบัติเงินข้ามทรัพย์สมบัติความหลูกความฉลาดที่เป็นสมบัติจะเกิดขึ้นแก่ผู้มีศีลมีธรรม เพราเขาเป็นคนดีเพราะนั้นพระพธิ์ต่เจ้าเป็นเน้นนักมากมาความชั่วอย่าทำ เ, เลยดีกว่าให้ทำแต่ความดีนะมเน้อทำเมื่อทำความดีแล้วความดีจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองทั้งภพนี่ชาติหนาแล้วขอให้พวกเฮาออทั้งหลายนะคณะจัตยาญาตโยมลูกหลานมื่อนี้หลวงพ่อฉันยังหันแล้วหลวงพ่อะได้เดินทางเนะ้อลงไปกรุงเทพเมื่อนวันที่หกเนีมื่อวันเป็นวันที่หก การยายน์พุทธศักราช 2,555 นะหลวงพ่อจะไปวันที่6วันที่เกวันที่สิบหลวงพ่อก็จะกลับขึ้นมาละ ว, วันที่เกนะ้าเนี่ยจะออกมาจากกรุงเทพและคือทั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ขอนแกน่นเขานิมณฑเป็นวันศรีนครินทร์ครบรอบ40ปีเขาจะทําบุญศรีนครินทร์ในมณฑพระเก่าองค์วันที่สิบตอนเช้านะ หลวงพอ่อเขาคงมาฉันที่สีนักกระลินพร้อมกับคู่บาอาจารย์พระเก่าองค์จากนั้นก็ได้กลับมาวัดคันบ่ลุมว่าตายว่ะถ้ามันตายพระ ญ, ญาพจั์ตีก้อนตีไกายานคนรหลวงพ่อกำหางจุกตูดแลนขึ้กันเนะวะ่ะแต่หลวงพอ่อเตียมพ่อมาอยู่เสมอนะ่ะว่ามันพ่อมพ่อสมควรเนอ ะ, ะนะ่ะไปหลวงพอ่อเสียงว่าพร่อม ออมาแล้วเราเราเนี่ย่าชะโรดเราเนาไปเออพรานั้นหลวงพ่อยังเตือนพวกเฮาทันทั้งหลายนะหลวงพ่อเนี่ยตั้งอยู่ในความบ่อประมาทเอ๊ะว่าชีวิตของเฮาเน่ะเป็นของบ่อเทียงแท้แน่นอนตายในทุกเวลาตกใจด้ทุกเวลาอนั่งรถไปก็ตายก็มีตกเครื่องบินตายก็มีนอ่นรับดีตายก็มีนอนกินเขาอิ่มตายก็มีนางคุยกันตายก็มีมันตายในทุกเวลาเอถ้าบรรยายถึงความตายนะโอ๊ย ตรงพ่อจะบริสันเข่าแล้วเหมือนนี้ว่า น, น, น, นิ่ไปเอารับพรนะทีนี้